ขึ้นมาปีแต่ละปีละปีนี้ตื่นเต้นกันคุณเราตื่นได้นันก็ไม่สับควรที่จะพากันตื่นจากความชั่วทำความดีนะั่นดีกว่ามันตื่นกันไปโดยกินเหล้าเมายาเฮากันสนุกฆ่าฟันตีกันด้วยประการต่างๆ มันเป็นทาเหตุให้เสือมแก่เหตุให้เจ็บปวดทุาข์ัรทุกอย่างงั้นไม่ดีเลยบุญปีใหม่เกิดขึ้นมาทันปีใหม่เกิดแต่ละปีละปีนี้บุญดีบุญลายเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองการทำความสงบอบลมจิตใจ มันจะเปลี่ยนไปว่าความเยือกเย็ยนเป็นสุขไม่เอาปีใหม่เกิดมาปีหนึ่งปีหนึ่งเลยครบรอบทิบสองเดือนแกไปเฉพาะเอาแตนะ่ปีใหม่เดือนมกราธันวาเนี่ยปีใหม่ มันก็ไม่มีอะไรหรอกปีใหม่ก็ดีก็มีมืดกับค่ำเท่านั้นแหละมืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างเลื่อยไปอยู่นั้นไม่มีปีใหม่ปีเก่าอะไรหรอกวันหนึ่งวันหนึ่งมืดแล้วก็สว่างขึ้นมาเรี๋ยวก็วันใหม่ วันนี้มัก็มืดไปแล้วมันช้าหมดวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาสว่างขึ้นมาก็เป็นวันใหม่ก็เท่านั้นเนีหลายวันก็เป็นเดือนหลายเดือนก็เป็นปีจะไปทรไปตื่นอะไรกันใครมาขอพรปีใหม่เอาพรไหนมหาให้ให้อายุ เขาจะให้กันอายุน่ะเขาจะให้กันมันตายวันทุกวันไม่ใช่หรือทำไมจะอายุให้กันได้ให้วันละมันก็ผิวพันวันละมันก็เศราหมองวันแก่วันทุกวันมันก็หมดไปหมดไปไม่ใช่หรือให้ความสุขสุขอะไรให้ก็ทุกทุกคนนั่นแหละผู้ให้ก็ทุกเหมือนกัน แล้วผู้ลาก็ทุกข์เหมือนกันไม่เห็นมีได้อะไรขึ้นมาให้พวกกระซอมบาดพัฒถานเราไม่ทํามันจะได้หรือแต่น้อยนี่ท่านอวยใช้ให้ผ่อนให้โชคให้ลาภมันจะได้ที่ไหนในเกียรติยศชื่อเสียงเราทําดีมันจะได้มาจากไหนชื่อเสียง ไม่เห็นมีของใดขึ้นมาเลยก็เท่าเก่านะท่านให้เพือไว้ใช้ให้พอนพอดีใจเหมือนกันเด็กๆนี่แหละแล้วขนมล่อให้หายนองหายกินขนมมาแล้วก็ลองหายไหมก็เท่าเก่านั่นแหละในทางที่พระพุทเจ้าท่านสอนท่านบอกว่า ไม่มีปีใหม่ไม่มีปีเก่าไม่อยวันใหม่ไม่มีวันเก่าทำรรของพระพุทธเจ้าที่เป็นของเที่ยงของกลงคือปัจจุบันอันนี้เป็นของเที่ยงแท้เป็นของแน่นอนอดีตก็จะไปคิดถึงมัน คิดถึงมันจะไมมันร่วงเลยไปแล้วเอาคืนมาก็ไม่ได้อนาคตมันก็ยังไม่บรรลุถึงรางวันพรุ่งนี้แหละจะแยกไปทำอะไรให้แก่เราได้อนาคตคิดนึกส่งไปมันก็คิดไปเฉยเฉย อ, อดีตมันร่วงไปแล้วก็คิดไปเฉยเฉยเดี๋ยคิดไปเฉย ท่านให้ลงปัจจุบนนันธรรมราาทัศน์ทัศน์ายปสัสสติจงดูจริงที่มันเป็นปัจจุบนันนั่นเองจะเป็นธรรมอดีตก็เป็นโลกคิดไปเฉยๆเดีคิดไปเฉ ย, ย, เฉยท่านให้ลงปัจจุบนนันธรรมราาทัศน์ทัศน์ายปสัสสติ จงดูริงที่มันเป็นปัจจุบันนั้นเองจะเป็นธรรมอดีตก็เป็นโลกอนาคตก็เป็นโลกเรื่องโลกทั้งนั้นโลกมันไม่มีสงบโลกมันจะยุ่งลงปัจจุบันไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะ่เป็นธรรม เห็นไปจักแย้งในใจั้าลงปัจจุบันแล้วมันเป็นธรรมปีใหม่ปีเก่าไม่มีเดือนใหม่เดือนเก่าก็ไม่มีวันใหม่วันเก่าก็ไม่มีเลยไม่พูดอะไรเรื่องปัจจุบันเมื่อเราพิจารณาลงปัจจุบันแล้ว เห็นจริงปัจจุบันนั่นแหละเป็นธรรมหาธรรมหาที่ไหนก็ลงปัจจุบันนั่นทีหาธรรหาที่เห็นธรรมก็เห็นปัจจุบันนลยดิที่ว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานก็ลงปัจจุบันนั่นแหละ นั่นแหละเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ทีเดียวมนุษย์ชาโลกพากันวุ่นวายสงสัยไปมาหน้าหลังทั้งอดีตและอนาคตแท้ได้จริงมันก็มีเหมือนกันในปัจจุบันแต่ว่าคนไม่พิจารณาลงปัจจุบันจึงพากันวุ่นวายเร่าร้อนเนี่ยตลอดเวลา ถ้าเดือดร้อนนุ่นวายเข้ามาตรงปัจจุบันจะหายหมดไม่มีการเดือดร้อนมันเดือดร้อนเพราะไม่ลงปัจจุบันคิดวิตตุกิ จ, จเดือดร้อนนุ่นวายไปข้างหน้าข้างหลังควรจะมีอันอยู่กันกินก็รจะทุกข์ควยจะยากควจะล้มจะตายก็จะเป็นโรคเป็นภยัยแรงต่างๆคิดไปแหละ เลือดร้อนหุ่นวายคิดถึงข้างหลังที่อดีตร่วงมาแล้วทำของชั่วของผิดทุจริตต่างๆทำให้ใจไม่สบายคันลองปัจจุบันแล้วหมดเรื่องปัจจุบันนี่แหละเป็นของใหม่ของใหม่เพราะเหตุที่เราพิจารณาให้เห็นปัจจุบนัน จึงเรียกว่าของใหม่ของใหม่ตลอดเวลาเด็ก่อนเราไม่เคยพิจารณาเราไม่เคยกําหนดเราเคยเราไม่เคยรู้เมื่อเรารู้แล้วเรากำหนดแล้วเราพิจารณาแล้วเห็นชัดขึ้นในปัจจุบันอย่างเราพิจารณา ความตายพิจารณาความตายมันวางทอดทระมดไม่เอาอาดีตอนาคตตรงั จ, จุบันมันอยู่ดิ่งไม่มีสิ่งเป็นอดีตอนาคตนั่นแต่เป็นของใหม่เกิดขึ้นมาแก่เรารู้เห็นปัจจุบั น, น, น ฉันเมื่อรู้ปัจจุบันไม่มีตื่นมันมีตื่นหรอกเขาว่าตื่นเนะี่ยคือหมายความว่าหลับแล้วนอนตื่นไม่หลับไปแลว้วมาตื่นขึ้นมาจะเรียกว่าตื่นก็ถูกแต่ก่อนเราหลับอยู่เราไม่ได้พิจารณาถึงปัจจุบันถ้าเห็นปัจจุบันแล้วตื่นนั้นก็เรียกยังค่อยเรียกว่าตื่น ไม่ใช่ตื่นอย่างชาวบ้านเขาตื่นตื่นเพียงไม่เออเครือแค่ห้าลืมสุรายาเมาอนมีว่าทุมเถียงทะเลาะกันตัวประกันต่างๆอะไรมันตื่นภายนอกตื่นในใแล้วควรทิบหายไม่ตื่นตัวของเราตื่นภายนอกคนเป็นไปเพื่อโลกเป็นไปเพื่อไม่น่าชิบหาย เราตื่นตัวของเราขึ้นมาเดียวนี้่โอ้อันนี้เราปัจจุบันนี่เราไม่อยู่ตรงนี้หรอกคลองปัจจุบันนั้นไม่มีทุกข์มีโศกมันไม่เดือดร้อนหุ่นวายนั่นอะตื่นปัจจุบันนั่นไลยเรียกว่าตื่นแท้ตื่นปัจจุบันแล้วค่ะ น, นี่อดีตถึงแม้เราจะคิดนึกเรื่องอดีตที่ล่วงไปแล้วเราคิดนึกไปตามเรื่องตามเรา ตามเหตุการณ์ที่มเป็นมามันเกิดไปจากอะไรเกิดไปจากปัจจุบันอดีตเกิดไปจากปัจจุบันพ่อปัจจุบันมีแรงคอมีอดีตอนาคตก็เพ่อปัจจุบันไม่ได้ก็มยมีอนาคตถ้าไม่มีปัจจุบันในอนาคตเขาไม่มีแล้วพูดกันง่ายอย่างที่เรียกว่าตัวกลางมีแต่ก่อนจิตของเรามัน มีจิตเป็นกลางซะก่อนมย่อยคิดไปส่งสายไปปรุงแต่งไปทั้งอดีตและอ น, นาคตถ้ามีตัวกลางมันก็ไม่คิดไม่หนึกตัวกลางนั้นจริงว่าเป็นของปัจจุบันเมื่อจับตัวกลางได้แล้วคิดไปไหนก็ไปเธอแย่ดีอ น, นาคตก็ไปเธธรรมดาจิตจะไม่ไม่อยู่นิ่งแนวหรอกมันต้องคิดไปตาละไปหลัง แต่ให้ลงปัจจุบันลงลงปัจจุบันน่าตัวกลางน่าจะตัวตัวปัจจุบันไม่พากันตื่นตื่นโดยประการอย่างนี้หากว่าไม่ถึงขนาดนั้นถึงเราจะตื่นโดยการมีสิ้นห้าก็เอาสิ้นห้าข้อ เรางดเว้นได้จากขาดการรักษาประพฤติผิด ใ, ในเรื่องต่างตื่นพอเราตื่นตัวรู้ตัวพ่าเราได้พลาดพังมาแล้วเราได้ทำผิดมาแล้วเราตื่นขึ้นมาแล้วตั้งมาหนึ่งในชิ้นห้าจึงบอกให้รักษาชิ้นห้าอย่างน้อยที่สุดใดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ตื่นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเอาหลัไม่ต้องตื่นมาก รักษาผู้รักษาเช่นหาแต่เดรักษาชิ้นแตดตื่นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เล้แได้ไม่ต้องตื่นมากถ้าผู้มีชิ้นแตแลดวทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบได้ชั่วเวลาหนึ่ว่าชั่วช้างพับหูหูแอบดิน ก็นักได้ชื่อว่าตื่นขึ้นมาโอ้อยังงี้แล้วคิดสงบอย่างงี้แล้ว น, น้นก็ยังดีพมีปัญญาโูมีสติตัต้งมั่นอยู่แล้วน้อมเกิดวิชาความรู้ในสิศนงต่างคำว่ารู้คว่าวิชาปัญญานะ่มันรู้ทั่วรู้ทั้งอดีตอนาคต เรียวกว่ารู้ทั่วรู้อดีตอนาคตปัจจุบันรู้อะไรรู้เหตุรู้ผลตื่นนะคะนี่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันนะรู้เหตุรู้คนตื่นนะแต่ก่อนมันไม่เคยรู้อย่างนั้นมีแต่มืดซึมอยู่เพราะมันตื่นขึ้นมาก็รู้อดีตอนาคตปัจจุบันก็ตื่นอนการหลับคระหน่อนก็ไม่อยากนอนนะคะนี่ มันเรียกว่าตื่นตามพ่อหลานนั้นพูดกันว่าปีใหม่สังขานล่องก็ถูกเหมือนกันไม่ใช่มันล่องอย่างนั้นไม่ใช่มันล่องไปตามน้ำตามคลองที่ไหนหรอกคือมันหมดไปหมดไปปีหนึ่งมันหมดไปทั้งปียังค่อยตื่นตัว รู้สึกว่าสังขารมันร่องคือสังขารได้แก่กายไม่ได้มาแก่งออมเข้าไปอันนั้นเรียกว่าสังขารร่องปีนี้ไงเขาตื่นทีเดียวมันน่าจะมีความตื่นอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจออกม่าสังขารมันร่องกั้นมันน่องไปแล้วก็วมันร่วงโรยไปแล้วนั่นเอง การปีใหม่ขึ้นมาแล้วเรียกว่าถึงไปดูการปีใหม่เขาตื่นเต้นเรียกว่าสังขานรองบางคนไม่เข้าใจไม่ทราบมันรองไปไหนไปดูแม่น้ํำลำคลองก็ไม่เห็นมันร่องไปดูเต้นน์น้ำทังก็ไม่เห็นมันร่องไปหาหนนเพื่อ ไ, ไม่รู้สึกตัวของเราไม่รู้สึกตัวของเราว่ามันร่วงโรยไปนั่นเองทั้งหมดไปทั้ง ปีหนึ่งปีหนึ่งลองถ่ายรูปไปลองดูมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วมันกลับคืนมาอีกแต่ไหมไม่กลับคืนมาเลยล่องไปหายสูญไปหมดนี่ควรที่เราจะตื่นตัวโดยทั้งขายนลองไปอย่างนั้นนะวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่ง ให้ตื่นตัวได้ประการอย่างนี้อย่าไปหลงงมงายกับชีวิตร่างกายของตนว่าจะไม่แก่ไม่เฒ่าไม่ตายที่จริงมันร่วงอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีวินาทีมันหมดไปชิดไปท้อหมดไปมันแด้กลับคืนมาอีก สิ่งที่เราทำดีมันก็เท่าที่เราทาได้ก็หมดมันก็ดีเท่านั้นแหละมันก็หมดล่วงไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมาอีกสิ่งที่ทำชัว่วเราทำไปแล้วจะแก้ไขยังไงได้เพราะนั้นมันหมดล่วงเลยไปแล้วเรียกว่าสังขารล่วงไปหมดแล้วชีวิตร่างกายของเราก็หมดไปแล้วไม่ได้กลับคืนไว้เป็นหนุ่มเป็นสาวอีก อาเจียวขี่จมาตะปังกูัยันยามาหนังรวยนันวะใครจะรู้จักวันพรุ่งนี้มนเมื่อืืมเ่อไรไม่ทราบว่าจะตายให้รีบทําเส้ากิจที่ตัวจะต้องพึงทําทำเจ้าบัดนี้เดี๋ยวนี้อย่างเรานั่งเดี๋ยวนี้เราทำสมาธิแท้ทําภาวนาแท้ทำจิตแน่วแน่เป็น สงบเต็มที่มัน เ, เป็นของเราเราทำได้เท่าไรก็เป็นของเรามันส่วนวันเวลามันล่วงเลยเป็นัานทำมันไม่ใช่ล่วงเลยไม่ใช่เฉยวันเวลามันนำเอาชีวิตของเราหมดไปหมดไปมันหมดพ้อยหมดไปด้วยกันกับชีวิตร่างกายมันนี่เรียกว่าให้ตื่นด้วยการปัจจุบัน ทำสมาธิภาวนาแนวเนว่ตั้งแต่รักษาศี้นห้าสิ้นแปดตลอดถึงการทําสมาธิภาวนาน่าจะจะเป็นทางที่ดีที่ชอบเราปฏิบัติธรรมความคิดความเห็นความปรุมความแต่งกระทำเป็นธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเข้าสู่วงของธรรมแล้ว อย่าคิดส่งไปภายนอกการคิดค้นในธรรมะคือค้นในตัวของเราการส่งไปข้างนู้นข้างนี้ออกไปข้างนอกจากตัวของเราไม่เป็นธรรมเลยการเห็นธรรมก็เห็นตรงนี้แหละเห็นว่าเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมเลยไหมคือคิดค้คิดค้งเห็น ตรรู้สึกนั่นน่ะมันเป็นธรรมหรือไม่เห็นในตรงท่านถ้าอย่างทรงสายไปภายนอกอยู่มันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่ในร่องรอยของธรรมะเรียกว่าใจยังเป็นโลกอยู่ทัฏฐ า, าว่าจิตแน่วแน่ตรงของธรรมคือพิจารณาเฉพาะในกาย ในใจอย่างเดียวจิตแน่วแน่ลงคงที่นันนั้นแหละเราเข้าถึงธรรมแล้วธรรมปลากฏที่ตัวของเราแล้วธรรมไม่ใช่อื่นไกลคือเห็นตัวตัวมันที่ปลากฏขึ้นมาในใจของตนนั่นเอง ที่คิดสงสัยภายนอกจนลืมตัว น, นั้นไม่ใช่ธรรมถ้าคิดนึกสงสัยด้วยการพิจารณาโดยมีสติรอบข้อรอบรูอยู่ในที่เดียวอันนั้นก็ยังเป็นธรรมอยู่การที่จะพิจารณาให้เป็นธรรมน่ต้องมันมั่นคงอยู่กับ น่อง้อยของธรรมะคือพิจารณาขันให้เป็นขันท่ารูปเสียงเวรรูปพิจารณาสัญญาทังา้งขันดิ ญ, ญาณมีขันท่าท่าสี่ในพิจารณาอยู่นั่นแหละในเรื่องท่าสี่นั่นนี่น้ำไฟลมขันท่าอย่างว่ามาแล้ว อายจะชนะ ห, นหกตาหัวจังหมูเลี้ยงกายใจอายจะน้าภายนอกลูกเสียงขีนรลดปวดพระธรรมาลงอายพิจารณาในร่องรอยอ่านนี้แม้มันออกไปภายนอกคําแอ บ, บออกไปนอกนน่นก็เป็นไม่เป็นธรรมแล้วนะมาจงไปสิ่งอื่นไม่เป็นธรรมแบบําพิจารณาในเรนนั่นแหะเขาถึงทำอะ่ะ อันเอาที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องพิจารณาตรงนี้สิพิจารณาอะไรอื่นนอกจากธรรมเรียกว่าโลกุตธ ร, รรมก็ใช่หรือธาตุสี่กันหายานะอเรียกว่าสติประธานสี่สมรมประธานสี่สี่ห้าพราฮาโคสังเ็ตทางคิกรรมะแปดอันนั้นเป็นธรรมะโลกุตธ ร, รรมแท้พิจารณาอยู่ใน แถวนี้ในขอบเขตอันนี้มีสติควบคุมรักษาอยู่ในร่องลอยอ น, นี้อันนั้นเลยถึงทําโดยเฉพาะที่เดียวแหละไม่ใช่ถึงที่อื่นหรอกไม่ใช่เดินไปถึงหรอกไม่ใช่เดินไปเดินมาไม่ใช่ที่ไหนล่ะเดินจะตรงนี้หล่ะอันทั้งทีม่มัดมัดแปดเรียกว่าหนทางแปดเส้นนั้น สมาธิที่สมาธิสังกับตัวนี้แหละสมาธิีเห็นชอบกับจิตนั่นตีเห็นชอบสมาธิที่สมาธิสักปจิตทั้งนั้นน่ะไม่ใช่อื่นไกลมันเห็นอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้เป็นสมาธิแน่วแน่ในที่นี้ส่วนปัญญามันจะเกิดเมื่อเกิดก็ไว้เถะก่อนอนที่มันจะเกิดขึ้นมัน เกิดจากจิตสงบนั่นมันยังค่ยเกิดขึ้นถ้าหางมันเกิดมันก็เกิดขึ้นเพราจิตสงบมันไม่เกิดอันก็ะยาละเอาไว้กันซะก่อนเอาไว้ท่านแก่กล้าไม่ทนต้องทนทั้งตัวได้แต่ต้นไม้น่ะไม่แก่กล้าที่ไปดตึงนี่มันออกดอกออกผลมันก็ไม่ได้ ไปดึงมันก็ตายสิทำมันตั้งต้นตั้งต้นตั้งลำแน่นๆนะมันคงแล้วมันถึงออกเองมันด อ, อกมันจะเปรี้ยวจะหวานมันก็หวานเองมันจะฝาดจะขมมันก็ขมเองของอันนั้นไม่ได้แต่งไม่ได้มีใครไปให้ ผมันไม่ไมีใครไปให้หวานก็ไม่มีใครไปให้มันเปรี้ยวอะไรต่างก็ไม่มีใครไปให้ฝาหรือเผ็ดก็ไม่มีใครให้มันไม่เศร้ามาจากไหนมันต้อเกิดขึ้นเองของมันไม่ผลที่สุดแต่เราทำเราของหวานไปใส่เอาน้ำตาลไปแต่มันก็ไม่หวานเท่าของมันไม่หวานอนนะไรอร่อยเหมือนของมันเอง คนเราอยากจะให้มันเป็นไปอยากให้คือความรู้ความฉลาดยุ่งกันไปใหญ่ในคนที่เจอก็เลยไม่ได้แอะไรเหมือนกับข่าวต้นข่าวล้วว่าท่านเติบโตจนวันท่านแก่แล้วอยากจะกินเม็ดข้าวแล้วอยากจะเอาข้าวมาหูงแล้วมันจะได้ที่ไหน เราต้นมะโหงก็ล้ำมะหูมากก็แค่นั่นแหละเลยไม่ได้กินผลมารับจากจะว่าทำใจเย็นๆการที่มันจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้งใจทำไปเรื่อยทั้งอกเพี้ยงเย็นนะแม่เกิดขึ้นมา มีอะไวิธีทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้น